วับิกันอา حيا ไวไลคันนุชูร์อัลลอฮุมะอันตะรับบิละอิลลาห์อิลลาอันตะ خلق تني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ماستعطته أبو أولاك بنيعمتك عليا وأبو أب ذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر ا ل ذ و ب إ أ ن Allahumma inni a'udzubika min s السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. พี่น้องที่ร่วมนมาทุกๆท่านครับอัลฮัมดุลิลละเราต้องขอบคุณลชต่อยการกล่าวอัลฮัมดุลิลละการกล่าวอัลฮัมดุลิลลเนี่ยเป็นการขอบคุณ a l l a ที่ดีที่สุดแปลว่าอะไร บรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ท่านให้กล่าวคํานี้เยอะๆอัลฮัมดุลิลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลอฮ์ข่าคุณอัลลอฮ์สุบฮานุวตะตะลาที่อัลลอฮ์ให้เรานอนไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ถูกปลุกขึ้นมาบางคนก็ตื่นเองไม่มีใครปลุกบางคนก็ตื่นก่อนที่จะเสียงอาดาร ได้นมาตะฮัดยุดได้นมาติวิเตอร์ได้อ่านกุรานได้นั่งอิกรลุลลอฮก่อนที่จะมีเสียงอาดานเกิดขึ้นแต่บางคนก็ต้องเข็นกันก็อนัมดุลิล่าทั้งหมดนั่ดีทั้งหมดล่ะขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาที่เราได้ทบทวนอัลกุรานมมาถึงสูร Al ์อัลกั นะครับอายาที่สี่สิวันนี้ <c oughs> ส่วนอายาที่สี่สิานะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่อัลลอฮฺสอนเราบอกว่าไงนะว่าตุรีบละหุมมาตาลฮัยะติดดุนยาอัลลอฮฺเนี่ยสอนให้เราเปรียบเทียบให้เราเปรียบให้เราใช้การเปรียบเทียบบ้าง นะครับเปรียบเทียบว่าโลกดุนยานี้เหมือนอะไรอืมอย่าให้อย่าคิดว่าโลกดุนยานี้นะแจวแล้วนะไม่ใช่เท่าที่เราได้อ่านจากฮะดีสพบเนี่ยหลังจากอัลลอฮ์สร้างโลกดุนยาใบนี้เสร็จแล้วนะอัลลอฮ์ก็ตีราคาให้นบีมุฮัมมัดนี่มาสอนว่าอัลลอฮ์ตีราคาว่าโลกใบนี้มีทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืน ธันพาแผ่นดินและมีมนุษย์เนี่ยลักรระสิ่งที่อยู่ในโลกทั้งหมดเนี่ยตีราคาเท่าไหร่อัลลอฮ์ก็บอกกับนบีให้นบีมาสอนคนไม่เชื่อเยอะคนที่เชื่อก็เยอะนบีตีราคาดยให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ไปพูดบอกเองบอกว่าเลาก็านาติดดุนยาถ้าหากวันโลกดุนยาใบนี้มีค่าเท่ากับ ปีกยุงมใช่ไหมแต่หากโลกดุนยาใบนี้เนี่ยชั้นฟ้าแผ่นดินภูเขากลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็มนุษย์แล้วก็เพชรพลอยที่อยู่ในใต้ดินทั้งหมดที่เป็นนํามัดหรือเป็นทองจะเป็นแร่อะไรก็ตามนี่ยนะที่มนุษย์ควบคุมกันอยู่วันนี้เนี่นะครับไปเพื่าอย่างยิ่งอะยะฮูดีห้าหกตระกูลที่คุมกันอยู่วันเนี้ยนั่นแหละ ในอิสลามบอกว่าถ้าหากว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีค่าเท่ากับปีกยุ่งคนกาเฟตในโลกนี้จะไม่มีสิทธิ์ดื่มน้ำอึกหนึ่งของอัลลอส์ س า ح ا ن ه แะตาล้ทีบางครั้งอัลลอ์ก็บอกให้เราให้นบีเนี่ยมาสอนว่าการยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุทาหรณ์โลกใบนี้เหมือนอะไรอายะที่45เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย Allah อัลลอฮ์แจกอุทาหรณ์ผ่านนบีมุฮัมมัดให้นบี ม, มาสอนพวกเราเนี่ยพยายามยกตัวอย่างเปรียบเทียบบ้างตัวเราเหมือนอะไรโลกนี้เหมือนอะไรภรรยาเราเหมือนอะไรบ้านนี่เหมือนอะไรให้เราใช้ปัญญานะอัลลอฮ์ก็บอกในพระคุณอ่านบอกว่ามัสลุลฮัยติดดุลยากา마อินมาแปลว่าน้ําโลกดุลยาเบนี้เปรียบเสมือนอะไรนะน้ํา เปรียบก็เหมือนน้ำที่อัลลอประทานลงมาจากชั้นฟ้าแล้วก็เอามาผสมกันกับดินเมื่อถูกน้ำแล้วดินมันก็ดีใช่ไหมต้นต้นมานก็ขึ้นต้นไม้มันขึ้นมันงอกพองอกขึ้นมาต้นไม้มีอายุกี่วันอะอย่างต้นพริกเนี่ยกี่ปีก็ไม่ไม่กี่ปีหรอกเดี๋ยวมันก็ตายแล้วมันมันก็แห้ง พอแห้งพอลมมามันก็พัดของแห้งๆเนี่ยปลี่ยวไปหมดเลยนั่นโลกดุนยาเปรียบเสมือนต้นไม้เหนหรยงเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบของที่มาจากอัลลอฮ์เลยไม่ใช่นบีเปรียบเทียบเองอัลลอ์บอกให้นบีเอามาสอนฉะนั้นอย่ไปติดยึดกับโลกดุนยาใบนี้เยอะฉะนั้นอะไรที่ดีที่สุดนะครับคืออาย่านี้ต้องการจะสอนนะ อยู ok thi thi ha, sing ่บโลกดุนยาไปนี้มองอะไรที่ดีที่สุดแล้วก็แสวงหาสิ่งเหล่านั้นให้มากที่สุดดูคุณอานายะที่สสุดอัลมาลวันบานุนเจเนตุล حياة الدنياوالباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أملا المال อัลมาลแปลว่าอะไรนะอ่ทรัพย์สมบัติเงินทองอัลมาลทรัพย์สมบัติเงินทองทรัพย์สมบัติมีอะไรบ้างตั้งแต่เครื่องประดับที่ดินไร่สวนรถบ้าน โฉนดนั่นอะ่ะเป็นเป็นเป็นเป็นเป็ น, ปนมานทั้งหมดนะแพะแกะอัวควายมีราคาทั้งหมดนะนั่นเขาเรียกว่าอัลมาลในภาษากุรานอัลมานแปบลบว่าสมบัติวัลบานูนแปบลบว่าลูกๆบางคนนะมีลูกเยอะไอ้เรื่องลูกๆเนี่ยบางคนเสียอากีได้เรื่องลูกนี่ก็เยอะนะเอา้าเสียอากีได้ยังไง ขอเล่าตรงนี้ก่อนนะบางคนเนี่ยบางครอบครัวนะคือครอบครัวมนุษย์เนี่ยมีอัลลอฮฺแบ่งออกเป็นสี่นะอัลลอฮฺเนี่ยแบ่งออกเป็นสี่อยู่ในคัมภีร์กุรอานซูราะชูรออายะที่สี่สิบเก้ากับห้าสิบสองอายะด้วยกันอัลลอฮฺกล่าวว่นในคัมภีร์กุรอานว่าฉันนี่นะได้แบง่งได้แบง่งครอบครัวของมนุษย์เนี่ยออกเป็นสีีสออก อ, ออกเป็นสีนะ อับดับยังไงพูดขออางกุอานะลิลลาฮิมุลกุสซมาวติวัลอารดยัคลุคุมายาชายัฮาบุลิมายาชาอีนัสะวยัฮาบุลิมายชาอุู أو يزوجهم ذكران و إنسا วย جعل من يشاء عقيما ครอบครัวของมนุษย์เนี่ยมีอยู่สี่แบบแบบทีหนึ่งนะครับมีเฉพาะลูกผู้ชายอย่างเดียวครอบครัวนี้มีลูกออกมาผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้ชายเห้นไหมใช่ไม่ใช่สังเกตดูสิสังเกตดูในคอเทนตนี่ก็มีอย่างเงี้ยผู้ชายผู้ชายผู้ชายอย่างเดียวเลย บางครอบครัวอิลอัลลอฮ์ให้มีแต่ลูกผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงไม่มีลูกผู้ชายเลยอืมบางครอบครัวอัลลอฮ์ให้ทั้งลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงมีไหมมีอืมสังเกตสังเกตนะอี่สามแล้วนะอันที่สี่บางครอบครัวอัลลอฮ์ไม่ให้ทั้งลูกผู้ชายและลูกผู้หญิง แขาว่าครอบครัวนี้เป็นอะไรเป็นหมันมีไหมมีการมีครอบครัวการมีลูกเนี่ยมีอยู่สแบบบางคนอกักดีดาเสียเลยเลยนะทําไมอัลลอฮฺเล่นกับฉันอย่างเนี้ให้ไม่จะลูกผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงลูกผู้ชายไม่มีเลยอ่านี่ผมอ่านเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอูรดูที่มาจากประเทศ อินเดียนักาอลลามะจะนัดวานส่งมาให้อ่านเขาบอกมีอยู่ครอบครัวหนึ่งนี่มีลูกผู้หญิงหมดเลยหกคนพ่อเนี่ยผัวเนี่ยอากิดาอากิดาอ่อนเงียอย่าลืมว่าคนนี่ไม่เอาอากิดากว่าเยอะนะบอกบอกกับภรรยาว่าถ้าหากว่าเธอคลอดลูกคนที่เจ็ด คนที่หน่ะหึ่งถึงหกน่ะผู้หญิงนะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงหมดเลยพ่อเนี่ไม่พอใจเลยแล่ะถ้าเธอขอดลูกคนที่เจ็ดน่ะฉันกับเธออย่ากันถามจริงๆเธอพูดจะกําหนดให้ลูกให้เป็นลูกผู้หญิงผู้ชายนะสามีหรือภรรยางานของใครงานของอัลลอฮ์นี่ผู้ชายคนนี้อักดีได้แย่มากเลย ภูพระยาว่าถ้าเธอค้อลูกคนที่เจ็ดนี่นะเป็นลูกผู้หญิงนะฉันกับเธออยากกันเลยตอนลากเลยผู้หญิงก็เสียใจฉันผิดอะไรอะฉันผิดอะไรมากําหนดอย่างเงี้ยเอาลออรักษาพ่อครัวนี้รักษาคนคนนี้พรตกกลางคืนนะพ่อน้าฝันฝันเพราว่าเกิดวันเตียมะนี่ในความฝันนะเกิดวันเตียมา พอเกิดวันเกียรมาเสร็จแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยถูกตัดสินให้ลงนรกถูกตัดสินให้ลงนรกเลยนะ่ะแต่ที้ตอนที่มาเลยก์กาพาจับเข้าปีกไว้เนี่ยไปที่ประตูนรกขุมที่หนึ่งอย่าลืมว่านารกมีเท่าไหร่นอายุเจ็ดขุมนะไปที่ขุมขุมที่หนึ่งพอจะจับระโยนไปเจอลูกสาวยืนอยู่ที่ปากประตูนรก บอกนี่จะพาพอ่อฉันไปไหนฉันไม่ยอมเอาตกลงกัไปที่ประตูที่หนึ่งไปเจอลูกสาวตัวเองยืนอยู่ห้ามเอาไว้มาลายกาก็พามาขุมที่สองก็มาเจอลูกสาวตัวเองอีกมายืนอยู่ที่ปากประตูนรกขุมที่สองห้ามอย่าพ่อจะลงนรกนะไม่ได้ไม่ได้มาประตูที่สามเจอลูกสาวคนที่สาม ประตูที่สี่ลูกสาวคนที่สี่ประตูที่ห้าลูกสาวคนที่ห้าประตูที่หกลูกสาวคนที่หกลูกมีหกคนและประตูที่เจ็ดล่ะใครจะห้ามฉันไม่ให้ตกนรกโอ้โลกระวนกระวายใจในฝันเนี่ยนะตกใจตื่นอ๋อโมวัตรวันพระตกท้ายเจืนยกมือขอทุลอาเลยอัลลอฮุมมัรุุกนาอัซซาบิอัคนี่ขอเป็นภาษาอับดับนะโอ้อัลลอฮ์ขอลูกผู้หญิงคนที่เจ็ดเธอ ที่ไดไปขูมเมียไว้เนี่ยถ้าหากว่าคอดลูกคนที่เจ็ดชั้นก็เจอเลิกกันพอฝันปั๊บเนี่ยตื่นขึ้นมาอัลลอฮุมมารซุกนาอัสซาบิอ่างโออัลลอฮ์พลสกิฟมีประทานในชั้นลูกสาวคนที่เจ็ดเธอนี่อัลลอฮ์ให้ฝันเพราะฝันมีสามอย่างหนึ่งมาจากอัลลอฮ์สองมาจากสายตอนสามมาจากตัวเองแต่ฝันอย่างนี้ก็จะว่าฝันดีใช่ไหม เราะอา ล, ลาคุ้มครองไม่ให้ครอบครัวนี้เลิกกันทะเลาะกันตีกันใช่ไหมฉะนั้นการมีลูกเยอะๆเนี่ยดีไหมดีและใครมีลูกผู้หญิงอย่างเดียวนี่นะไม่ต้องไปปวดหัวใครกําหนดละกำหนดฉะนั้นส ร, สรุปสั้นๆก็คือว่าบางครอบครัวอัลลอฮ์มีให้ให้ลูกผู้หญิงอย่างเดียวบางครอบครัวอัลลอฮ์ให้มีแต่ลูกผู้ชายอย่างเดียว บางครอบครัวมีทั้งลูกผู้หญิงและลูกผู้ชายบางครอบครัวไม่มีเลยฉะนั้นในกรอรอ่านไปเปิดดูนะสุรอชูรออายะที่สี่สิก้ากับห้าสิบทำดุลีลาเนี่เรื่องเรื่องอัคีดาทั้งหมดฉะนั้นอยู่บ น, นโลกดุนยาแบบ น, นี้อัลลอฮ์คอนโทรลหมดนจะให้ใครมีลูกกี่คนกี่คนกี่คนกี่คนเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และก็อัลลอฮ์ อัลมาลุวัลบนูนสมบัติและลูกลกอูอัลมาลุวัลบนูสมบัติและลูกลูซีนาตุลฮายาติดดุญยาเป็นเครื่องประดับซีนาแปลว่าเครื่องประดับคนไม่มีลูกมีบ้านน่สาวับบนลชื่นใจใช่ไหมล่ะถ้าลูกดีด้วยอัลลอฮฺอัลลอฮชมลูก แต่ชมภรรยาเนี่ยท้งอาทิตย์เนี่ยชมได้แต่ชมอัลลอ์ชมไม่เป็นฉะนั้นเราต้องชมอัลลอ์ด้วยชมอัลลอ์ให้เป็นชมนบีมุฮัมมัดด้วยชมลูกตัวเองชมภรรยาแต่ต้องชมอัลลอ์สุบฮานาหูอตาล้เป็นซีนาตุลฮายตินุยาเป็นเครื่องประดับของชีวิตแห่งโลกใบนี้อัลลอ์เห็นอย่าง ท่นนานตัข่าวว่าเครื่องเครื่องเครื่องประดับไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ถาวล น, นะไม่ใช่ชั่วคราวตอนนั้นเองบางคนคลอดมาตายก่อนก็มีบางคนอายุสิบห้าตายบางคนยี่สิบตายบางคนขอกันนิกาขอแล้วจกนนิกาอยู่อาทิตย์หน้าตายมีไหมมีฉะท่านงานนี้อัลลอฮ์กำหนดแต่เพียงผู้เดียวเราก็ต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามอาลัลลอฮ์นะต่อมาครับ แต่สิ่งที่วันบากียาบ า, าติยาแปลว่าอยู่ไปยาวจีรังอยู่ไปตลอดไม่หมดอายุลูกหมดอายุบ้านหมดอายุภรรยาหมดอายุลูกๆหมดอายุสิ่งที่อยู่ในบ้านหมดอายุแต่สิ่งที่ไม่หมดอายุอยู่ไปตลอดเรียกว่าบากียาอ้าวแสวกนะอาะวเานี่ยอัลลอ บ, บอกเลยนะ ถ้าจ ะ, สะแสวงหาของที่หมดอายุกับสแสวงหาของที่เป็นหมดอายุคนฉลาด ต, ต้องเลือกเอาของที่ไม่หมดอายุอัลลอฮฺสอเลยครับวันบาตกีาตุสอริฮัของที่สิ่งที่จีรังยาวนานอยู่ไปตลอดไม่หมดอายุอัลบ า, าติอาอสอลิฮาดแห่งความดีของที่จีรัง อยู่ไปตลอดไม่หมดอายุก็คือความดีนะความดีคอยรุ่นนะครับนั่นเลิศ ก, กว่าดีกว่าประเสริฐกว่านะครับอินดรอ บ, บิกนะพระผู้อาภิบาลของท่านสาวาบันในแง่ของรางวัลสวาสวาบสาวาบแต่วันแง่รางวัล น, นะ ว่าคอยรุนอามาและเลิศ ก, กว่านะครับประเสริฐกว่าดีกว่าในความอามันแปลว่าความหวังสิ่งที่หวังว่าจะได้รับที่ดีที่สุดแล้วก็มีผลบุญมากที่สุดคือความดีที่ทำแล้วไม่หมดอายุอธิบายยังไงถ้าอ่านคูอ่านอย่างเดียวนะบางทีเราก็ไม่เข้าใจเอ้บากิยาตุซอร์เหาห ของดีๆที่มีไปตลอดไม่หมดอายุมันอะไรกันต้องไปเปิดตับซีดดูตับซีดอิบนกะอธิบายดีนะตับซีดอธิบายอย่างนี้นะครับของที่ดีๆนะครับพวกซาลัฟท่านอิบนอับบาสท่านสายบินจุเบ็และคนอื่นๆ อ, อ, อีกจากบรรดาชาวซาลัฟ บ, บอกว่าอัลบาติยาต์หมายถึง อัลสอลาวาตุลคอมส์นมาศห้าเวลาการนมาศห้าเวลาเป็นความดีที่ไม่หมดอายุนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งอธิบายบอกว่าวันบากิยาตเนี่ยหมายถึงให้กล่าวอย่างนี้หลังจากนมาศแล้วนะสุบฮานลลออัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลลาห์อิลลัล ล, ลลออ อัลลอฮฺอัลกบะรสี่ประโยคนี้พูดบ่อยๆพูดทุกวันเป็นบากิยาตุสอลิฮาดเป็นความดีที่ไม่หมดอายุให้กล่าว บ, บนดุนยาไปนี้นะครับหนึ่งให้นามาสองอะไรนะให้กล่าวคำว่าสุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละอิลละฮ์อิลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลกุบะรนี่วันที่หนึ่งรุลนฮิจร อีกไม่กี่วันเนี่ยจะมาแล้วใช่ไหมล่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งรุลัคยิญญาใครที่เห็นเดือนนะอาจจะช้าไปสักวันอะไรก็ตามแต่เพราะรู้ว่าเดือนรุลัคยิญญามาแล้วเนี่ยกลางคืนเนี่ยวลยายลินาชริแล้วก็คืนทั้งสิบของเดือนรุลัคยิญญาเนี่ยควรทําอะไรไม่ใช่นอนทั้งคืนให้ลุกขึ้นมานามาตะหัดยุทธ กี่มุลเลนมันก็มาอ่านคุรานมาดิกรุลลอแล้วก็ให้อ่านคานี้แหละสุบฮานัลลอฮอัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลลาอินลอัลลอฮอัลลอฮอักบัตนี่คาอธิบายนะครับของบรรดาศลาฟนะครับข้ดิษที่สองนะครับว่าห้าคาตาซุอิลามีรุลมุมอามรุลอมุมีนินอสมาินอฟแนนมีคนคนหนึ่งถาม ถามท่านอามิรอามิรุมูมินีนชื่อท่านอุสมานลูกเขยท่านนบีเนี่ยถามว่าท่านอยู่กับนบีมาช่วยอธิบายหน่อยสิอัลบาติยาตุสซาลิฮัดนั้นหมายถึงอะไรฟะกอลและท่านอุสมานอยู่กับท่านนบีมาตลอดเนี่ยได้ยินว่านบีสอนว่าอย่างนี้อัลบาติยาตุสซาลิฮัดความดีที่ทําแล้วไม่หมดอายุอยู่ไปตลอดติดถึงวันเกียร์มานุเลยคือให้กล่าวคํานี้ لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالهوان หนักไหมหนักเล่นตัวเบาเล่นเบาเล่นอ๋อใจเหี้ยนักจะตาไหมนะดาบสัตว์ในป่านี่นะแพะแกไอ้นูนไอ้นี่เหนื่อย แต่พูดคำเนี <to my> <language> ้ยห uh ้าประโยคเนี้ยไม่เหนื่อยนะลาอิล่าอิลล allah อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺอักบัตลาห์ละวะละกูะจัลลัลลัคนฉลาดเขาทำเป็นเพลงเลยให้หลานฟังถ้าโตฉลาดนะนะอานุลอัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิล่าอิลล allah อัลลอฮฺอักบัตลาห์ะละวะละกูะจัลลัลลลโตฉลาดโตที่มีศาสนาหรือโตย่อที่อายุแก่ๆอยู่ที่บ้านฉลาด ช่วงนี้ให้ลูกหลานได้อ่านคนํานี้ใครอ่านครบหนึ่งรอมารับสตังค์จากตัวยศห้าสิบบาทแต่และก็ตามแต่มีวิธีที่จะให้ลูกหลานกล่าวคํานี้บ่อยๆนี่ใครนะท่านอุสมานบินอัฟฟานลูกเขอท่านนาบีอยู่กับท่านนาบีมาตลอดอธิบายแทนนบีบอกว่าบาทยาตุศริฮาตของดีๆที่ทําแล้วไม่หมดอายุ ติดตัวไปในกูโบก็ติดฟื้นขึ้นมาก็ติดในโูกอาครกก็คือสุบฮานัลลอฮอัลฮมดุลิลลลอิลาอิลลัลลอฮฺอัลลอฮอักบัวะลาฮะวะลาวตอิลลาบิลลต่อมาะดษที่สาท่านอบีอยุบอันซอรีได้ได้รายงานบอกว่าท่านอายุบเนี่ยได้ยินท่านนบีพูดบอกว่าวันที่ท่านนบีขึ้นเนี่ยรอ อูริาบีอิลสมาวันที่นบีขึ้นเมียอร์จพอลงมาเนี่ยนบีเล่าให้ฟังว่าเห็นอะไรบ้างท่านอบูอายุบอันซอรีนี่เป็นสวามี น, นาบีอีกคนหนึ่งเล่าบอกว่านาบีพูดกว่าฉันไปพบกับนบีอิบราฮีมอะลัยฮิสซลาตอนขึ้นชั้นฟ้าเนี่ยชั้นฟ้าที่เท่าไรคงจะได้ยินแล้วผมบัลืมละชั้นไหน ชั้นห้าหรือชั้นสองหรือชั้นสามหรือไม่ล่ะนบีไปพบนบีมุฮัมมัดเนี่ยไปกับยิบรีนไปพบนบียิบรอฮิมนบีอิบรฮบอบรฮิมถามว่ายายิบรีนมันฮาด ล, ลัดีมากคุณมากับใครฟะกาล่มุฮัมมัดชั้นมากับนบีมุฮัมมัดฟะรับฮาบีเขาก็ต้อนรับชั้นกล่าวสรรเสริญชัน้นชมเชยชั้น ซุมมากอแหละนบีอิบราฮีมก็พูดกับฉันบอกว่ามุดจงลงไปกลับมาแล้วไหนะไปเจออุมมะของคุณเนะี่ยช่วยบอกประชาชาติของคุณทุกคนบอกว่าไงฟันตักสุดมินรอรอสุจันนะจงพยายามทำปลูกต้นไม้ในสวนสวรรค์เยอะๆนบีอิบราฮีมสั่งมมอมุฮัมมัดเอ้ยลงไป บนหน้าโลกดุญญนยาใบนี้พอลงมาเนี่ยช่วยไปประกาศกับอุมมางของท่านทุกคนให้ปลูกต้นไม้ในสวนสวรรค์เยอะๆแล้วก็ฟอินัตุบัตาฮาแท้จริงดินดินในสวนสวรรค์นี่นะแผ่นดินนี่นะตีต้อยยีบะแปลว่าสะอาดวะอรุฮาวาซิอาแผ่นดินนี่นะกว้างมากเลย ฟากูนจูฉันก็ถามน บ, บีก็ถามาว่าปลูกต้นไม้ที่สวนสวรรค์น่ะทำยังไงช่วยเฉลยหน่อยน บ, บีอิบราฮิมก็บอกให้ก่าบคำนี้ละฮาวละวละกู้ะจะอิละบิลละอัลฮัมดุลิลลาห์ไปได้ยินอยู่ข้างบนแล้วนะใครได้ยินน บ, บีมุฮัมมัดได้ยินใครมันคนบอกน บ, บีอิบราฮิมเล่าให้ฟังอัลลอฮฺอัลลบใ้ไหม นี่ฮะดีษที่ไดฮะดีษที่สามเพื่ออธิบายอายะานี้แหละใช่ไหมบาติยาตุซอลิฮาตความดีที่ทำแล้วไม่หมดอายุต่อมาข้อที่สี่นะครับท่านซะบินจานาดาะ r a d i y ุ l ลลา a h กอ n h u قال كُنْتُ في أ อ ل ِัَนบَ ت ินอ ب ِّ ي م ِิَ ا ันนี้นะมาจากเมืองตออิฟมาหาท่านนบีเป็นคนแรกเลย หลังจากนบีไปถึงเมืองตออิฟผิน้องทราบที่มามประวัติเมืองตออิฟเนี่ยนบีไปแล้วก็ถูกคว้างมาใช่ไหมลนะ่ะงนั้นคนแรกที่มาหาท่านนบีก็คือท่านซะนี่แหละมาหาฉันก็มารับอิสลามพอมาหานบีมารับอิสลามเลยพอรับเสร็จนบีอัลลอมานีนบีสอนฉันให้อ่านว่าไงกุนุวะละหุอะฮัดอัลลอฮฺซามัดละมยลิดุละมยูลัด วะแลมยัก ال ุลลักูฟูอันอะฮัดละก็สอนอีกิดาซุน zilla ทิลอาร์ดู zilla لها. ว่า خرجت الارض أثقالها. وقال الإنسان ما لها. يوم إذن تحدث أخبرها بأن ربك أوحى لها. เข้าใจไ يوم إذن يصدرون. อานให้จบเพราะกำลังกันนะครับ นบีสอนน่ะสอนสอนสอนสอนสองซุรอวะลามานีฮาอลอิลกาลมาหลังจากนบีสอนซุรอจบแล้วก็นบีก็สอนให้ว่าคานี้อีกนะรับอิสลามใหม่ๆเนี่ยมาจากเมืองตออีฟสุบฮานอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาห์อิลลัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบตเพราะว่าเ็จนบีบอกว่าฮุนนัลบาติยตุศซลิฮนี่แหละเป็น ของที่ดีๆทําแล้วอายุไม่หมดไม่หมดอายุอยู่ไปตลอดติดตัวท่านตายไปแล้วก็อยู่ในกูโบกับท่านฟื้นขึ้นมาก็อยู่กับท่านตลอดไปอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมเป็นน้องอายาเดียวกับศิษย์ยาวมากเลยครับนี่ผมก็ตัดตัดตั ด, ต, ดตัดมาเอาอะฮดีสที่ห้าอะฮดีสที่ห้ามันก็ไม่มีอะไรเลยฮดีสที่ห้านะ <c oughs> คําอธิบายอัลบาคียาตุซาลิฮัด ใครที่ตื่นนอนตอนกลางคืนตื่นตอนตีสี่ยกตัวอย่างนะฟาตาวดดะบอเมื่ออานน้านามาศเสร็จแล้วว่ามาบมาบแล้วก็บ้วนปากแล้วแปลงฟันแล้วซุ่มมาก็ละหลังจากอ่านน้ำนามาศเสร็จแล้วในหะ้ว่าคํานี้สุบฮานอัลลอฮ์ร้อยครั้งเขาจะหาคนทำยากมุนงเนะี่ยสุบฮานอัลลอฮ์ร้อยหนึ่ง الحمد لله ร้อยหนึ่งอัลลอฮฺอักบาร์มิมรรร้อยหนึ่งอัลลอฮฺอักบาร์มิมรรอีกร้อยหนึ่งก็กลายเป็นส้ยินั่งไวๆแค่สิบนาทีก็จบแต่พูดดีๆนะนะครับ س ا ي ي. ن อัลลอฮฺนะฮัฮัมลาฮัมลาฮัมลาฮัมลา س ن ا د ي د ي ن อัลลอฮ ا ن อัลลอฮ ا ل อัลลอฮอย่างละห้านาทีห้านาทีก็ได้เยอะนะ รู้ไหมผล บ, บุญบูฟิโรตูนูบูฮูอัลลอฮฺผลบุญของเขาถูกยกหมดเลยผล บ, บุญเล็กๆนะบาปเล็กๆเนี่ยถูกอะไรนะถูกยกหมดเลย Allah, อัลลอฮฺอัลลอฮฺอิลั ด, ดีมะนอกจากเราไปฆ่าคนไว้ไปนองเลือดเขาไว้คุณต้องตาบ้าตัวต่ออัลลอฮฺเพราอินนะฮูลาตุกติลเพราะว่าการฆ่าคนเนี่ยโทษมันไม่หมดต้องประหารชีวิตนะ แต่ท่านแค่ตื่นมาตอนกลางคืนงานที่เบาที่สุดก็คือสุบภาพนุลลอฮฺอัลฮะมดุลิลลาห์ลออิลเละอิลลอฮฺอัลลอฮุบักบัดเอาต่อมาฮะดิษที่เจ็ดนะครับฮะดิษที่หกสินะดิษที่หกนี่เขาบอกว่าใครที่ตื่นนอนไม่ใช่ตื่นนอนสิใครที่รำเลึกถึงอัลลอฮฺท่านอิบนะอัมบัดได้รายงานบอกว่าใครที่รำเลึกถึงอัลลอฮฺให้กล่าวคํานี้ لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله تبارك الله แล้วม il all al ah. um ีคํานึงนะ تبارك الله ลา حول ولا قوة إلا بالله แล้วก็ أستغفر الله แล้วก็ اللهم صل على محمد แล้วก็ือสินอดแล้วก็นมาสยิดไปทำฮัจยแล้วก็จ่ายสดอก้ แล้วก็ปล่อยธาตุแล้วก็ออกจิฮาตออกเสียสรละแล้วก็ติดต่อกับเครือยดนี่ไงเป็นอามัิษยศรและบาติยาตุศลิฮาตอยู่ไปตลอดไม่มีวันหมดอายุทำดีดีแล้วได้ความรู้เพิ่มจากตับซีอิบนุกซีอธิบายให้กับฟังกับพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องตรวลงอว่างานที่ ที่ทำแล้วมีผลเอบุญตอบแทนจากอัลลอ์ตั้งแต่วันที่หนึ่งรุ่นหิญยะอม่กี่วันเนี่ยนะก็ให้เรานี่แหละถ้าใครที่เนี่ยจะทำกุรบานนะครับก็ให้อะไรนะอย่าโกนผมอย่าตัดผมนะครับอย่าตัดเล็บ <มา S 2> นะครับอาต่อมาอายาที่4ี่นะต่อมา47นะครับว่ายามัดนุไซ ย, ยรุลจิบาล ฟะตรร الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أ ح د ا อายะที่47นี่พูดถึงสภาพของวันเตยมาอัลลอฮ์เห็นไมอัลลอ์พูดไลลดไม้อลลดไมอายะแรกน่พูดถึงให้ทำตัวดีอยู่ยังไงยังไงไม่ให้หลงดุนยาใช่ไหม แล้วก็ทำงานอะไรที่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺไปตลอดเลยไ่หมดอายุพอพูดจบพูดถึงภาพอาคิรอเลยนี่ให้เราเป็นคนที่ตื่นตัวตลอดเวลาสอนให้เราตื่นตัวนะครับวายามานุไยรุลจิบลจงนึกถึงอ่าจงนึกถึงนะวันหนึ่งเยาวมาจงนึกถึงวันหนึ่งวันอะไรครับ นูไซยุร์ลจิบาลเราจะให้จิบาลแปลว่าภูเขาจั บ, บาลก็มาเทนเราจะให้ภูเขาทั้งหมดเนี่ยนะหนุไซ ย, ยุตแปลว่าเคลื่อนย้ายหรือว่าเดินได้เราจะให้ภูเขาทั้งหมดบนโลกดุนยาใบนี้เดินย้ายที่เ อ, ลอาล่ะถ้าภูเขาย้ายที่แล้วก็พวกเราจะเหลือ ถ้าภูเขาย้ายที่ถามว่าบ้านเราจะเหลือไหมตึกยงเจริญเนี่ยเหลือไหมตึกสูงสูงอะไรร้อยชั้นพันชั้นที่อยู่ในยุโรปอเมริกาอังกฤษเนี่ยจะเหลือแหละขนาดภูเขาเนี่ยยังเลื่อนย้ายอ่ะและ้วก็อาคารทั้งหมดเนี่ยต้นไม้จะเหลือแหละอาคารทั้งหมดพังหมดต้นไม้พินาศหมดขนาดภูเขายัง นูไว้บบเบาะลาให้มันเคลื่อนย้ายเนี่ยนะวัต อ, อาราบบอและท่านจะเห็นแผ่นดินท่านจะเห็นแผ่นดินนัตตรอน อ, อ, อาร์บร อ, ออาร์เบอเห็นแผ่นดินเป็นยังไงบาริซาราบเรียบราบเรียบเป็นหน้ากร้องเลยนะพัดไม่มีอาคารเหลือเลยต้นไม้ไม่เหลือภูเขาไม่เหลือ วันหนึ่งจะตามมาเห็นยังนี่เล่าถึงสภาพวันอาคิรอทําไมต้องเล่าเพราะคนไม่เชื่อเยอะคนไม่เชื่อโลกอาคิรอมีเยอะไหมเยอะพี่น้องมุสลิมเราก็ไม่เชื่อกว่าเยอะภาษาที่พูดฟังรู้ก็รู้ถ้าวันกิยามะมีจริงนี่มุสลิมพูดนะตามซอยๆเนี่ยตามคลองๆอยู่ละทะเลาะกันนะ่ะเออถ้าวันกิยามะมีจริงละ่ะ อเองพูดนะผิดอากิดาพเพี้ยนอยู่แล้วเช้านี้โอกาสที่จะตกนรกน่ยเยอะนะมีลูกผู้หญิงอย่างเดียวกับเครืองเมียใช่ไหมทะลอกกันกับทวันเกียร์มานมีจริงผิดอากิดาผิดหมดนะถ้าอา่านกุูอานะเรื่องอย่างนี้จะไม่ออกจากปากเราออกจากปากแมวอย่างเดียวพอแล้วปากเราไม่ไม่ออกนะ วายาอมนุษยรุลงจิบาวันซึ่งเราจะทำให้ภูเขาขุนเขาเคลื่อนย้ายวัตธรอรัรบอและท่านจะเห็นแผ่นดินเนี่ยเป็นเรียบราบเรียบเป็นหน้ากลองหน้ากลองเราเติมเอ ง, เองนะครูอานไม่มีหรอกนะแล้วเป็นไงองีกว่าหชารนาหฮุมและเราจะชุมนุมพวกเขาอายาเดียวพูดกี่เรื่องสามเรื่อง และเรื่องที่สีอีกฟาลามนอดิมินฮุมอาฮาดและเราจะไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ละผู้ใดในหมู่พวกเขาจะหนีไปไหนสักคนหนึ่งก็ไม่รอดอาคารไม่มีภูเขาพินาศต้นไม้พินาศตึกใหญ่ๆจบคนจะหนีหนีหนีหนีไปนะถ้าจะหนีก็หนีไม่รอด ฟลัมอยู่ว่าเดือดมินฮุมอฮดอนี่อัลลอฮฺขู่คนที่ไม่คิดว่าวันเกียร ม, ม่ามีแต่พี่น้องมุสลิมนะคนที่เชื่อแน่วแน่ฉันคนที่เชื่ออย่างพวกเรานี่เชื่อห้ารายการนะหนึ่ง إ ي م ا ต่อ Allah, อัลลอฮฺ إ ي م ا ต่อวันอาคีรอีมานต่อว่านรกมีสวรรค์มีและเชื่อว่าตายแล้วฟืน้น แล้วก็ฟื้นแล้วข้อที่ห้าถูกคิดบัญชีเนี่ยคนที่เชื่อแบบนี้อยู่ในใจพอกเขาพี่น้องครับวันนั้นสบายมากเลยเห็นโล่งโล่งก็ไม่มีปัญหาฉันไม่มีปัญหาจนฉันรู้มาก่อนแล้วว่าจะต้องมีอย่างนี้แหละผู้ภูเขาเลื่อนได้ภูเขาย้ายที่จากที่เดิมบ้านพังหมดคนจะฟืน้นฉันรู้มาก่อนแล้วฉันเชื่อด้วยนั่นคนที่เป็นมุมินในวันอาคีรอไม่มีปัญหาเลยหัวเราะยิ้มรา ไอคนที่ไม่เชื่อวันนั้นน่ะสับสนวุ่นวายอาลลอห์ทั้งหมดเหล่านี้เขาว่าเกิดขึ้นเมื่อไรหลังจากการเป่าครั้งที่สองเป่าครั้งแรกเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างตายหมดหลังจากนั้นอีกสี่สิบไม่รู้ว่าสี่สิบชั่วโมงสี่สิบปีสี่สิบป้นสี่สิบสัปดาห์สี่สิบอะไรไม่รู้ไม่ได้บอกก็ะจะมีการเป่าอีกครั้งหนึ่งเพราะเป่าครั้งนี้แหละ ทุสิ่งทุอย่างอลอฟฟรฟื้นหมดเลยอายานี้พูดกับเราสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งสภาพวันเกียรมะภูเขาจะอะไรนะเคลื่อนย้ายจากที่เดิมของมันสองวัตรนอัลอบบาริซาตันเจ้าจะเห็นแผ่นดินราบเรียบอันที่สามวหชรนาหม เราจะชุมนุมมนุษย์ทั้งหมดตั้งแต่ยุคน บ, บีอาดัมถึงน บ, บีคนสุดท้ายน บ, บีมุฮัมมัดสารไมนะอันที่สี่ไม่มีใครหนีไปไหนรอดสักคนนึงสี่เรื่องอายาเดียวพูดสี่เรื่องให้เราใช้ปัญญานะครับอันนี้มีฮะดิษอธิบายดในนใีในหนังสือพิมพ์ที่มาจากประเทศอินเดียจากน้าดูว่าเนี่ยเขาบอกว่ า, างี้ เขาบอกว่ามันยาลัลหูมูมใครที่เอาความทุกทุกคนมีมีมีทุกหมดนะทุกดุ n y านะห่วงเมียห่วงลูกห่วงเงินห่วงธุรกิจห่วงนู่นห่วงนี้ห่วงห่วงห่วงนี่ก็ห่วงบนดุญญาทั้งหมดนบีพูดเบบว่าใครที่เอาความห่วงทั้งหมดของโลกดุ n y านี้ เอาไปห่วงในเอาไปวางไว้ในที่ที่เดียวเอาไปวางไว้ในที่ที่เดียวเอาไปวางไว้ที่ไหนแหะหัมมัม่นมาดเอาไปวางไว้ในโลกอาคิโรให้หมดดุนยาเนี่ยเราหนาห่วงเหมือนกันแต่มันไม่มากเท่ากับห่วงในโลกอาคิโรห่วงลูกในโลกอาคิอร ลูกจะปลอดภัยหรือเปล่าห่วงมากเลยห่วงภรรยาดุนยาก็ห่วงเหมือนกันแต่ไม่มากเท่ากับห่วงในโลกอาคริห่วงหลานห่วงเลนแล้วก็ห่วงลูกเคยลูกสะพ้ยห่วงเหมือนกันบนดุนยาแต่ห่วงอาคิริมากกว่าพ่อที่ห่วงอย่างนี้เนี่ยเป็นการห่วงที่ดีอัลลอท์ทำไงรู้ไหมกาฟาฮุลลอหุฮัมมาดุนยาหู อลัลลอจะปกป้องดูนยาไอความห่วงดูนยาเนี่ยอลัลลอจะให้มีเหมือนกันแต่อลัลลอฮจะคุ้มคุ้มครองเองอย่าไปเทรียเยอะนันเลยกลัวว่าจะจนจะจนไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเงินมันจะคานมาหาทีทาคุณเองอที่น บ, บีพูดนะฉะนั้นอย่าไปห่วงดูนยาเยอะห่วงอาคีร้อยเยอะๆฟื้นขึ้นมาเนี่ยลูกฉันเนี่ย มันมี إ ي م านต่ออลัลลอฮ์ดีหรือยังอิมานต่อเรื่องนรกสวรรค์เป็นยังไงฟื้นคืนชีพของมันมันเชื่อหรือยังมันอิมานต่ออลัลลอฮ์ไหมมันอิมานต่อการคิดบัญชีไหมเป็นห่วงเรื่องอย่างนี้ให้เยอะกับลูกๆหลานๆเราเนี่ยนะจะทําให้ความทุกข์ที่อยู่บนหน้าโลกดุนยาเป น, นี้เบาบางลงแล้วเป็นไงวามันตาชาอาบัตใครที่กระจัดกระจาย ห่วงดุนยาห่วงบ้านห่วงที่ดินห่วงแพะห่วงแกะอลลอห์ดุนยาไม่เคยห่วงอาคิร้อไม่เคยห่วงเลยอาดาบในกุโบไม่เคยห่วงฟื้นขึ้นมาในโลกอาคิร้อไม่เคยห่วงเลยไม่เคยพูดให้ลูกฟังเละพูดแต่ดุนยาดุนยาดุนยาอย่างเดียวนี่นะรู้ไหมขูมูมือของอัดุลเล็ดุนยาล้ำยูบาลินแล้วอยฟีไอยวาดียาตินฮาเลกอัลลอห์จะปล่อยให้คุณพบกับความพินาศบนโลกดุนยาใบนี้ ตรงไหนก็ได้เห็นอาจจะเสียผู้เสียคนเสียหายชีวิตของคุณบนดุงยานี้ก่อนตายก็ได้ฉะนั้นเราเอาเก็บความห่วงไว้ทั้งหมดนั้นเอาไว้ในที่ที่เดียวคือในโลกอาคีร์ดีกว่าเอามากระจายห่วงอยู่บนโลกดุงยาห่วงหลานไม่มีที่เรียนเรียนเรียนนานาชาติเป็นห่วงเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละเป็นทุกข์ ลูกอีกอโลดุนไมปมาทำงานที่โซมาเ ล, ลียมึงมาทํางานในเมืองไทยกล้าย่อน้อยเป็นทุกอย่านั้นไปยทุกทําไมถ้าทางานโซมาเ ล, ลียอโลก็ทุกอาคิริลเนี่ยมันเยอะหน่อยใช่ไหมนะ่ะลูกน้ำมาดเปล่าลูกอ่านกุอนอ่านเปล่าซดกครูลอเปล่าลูกบริจาคเปล่าทําบุญเปล่าห่วงอาคิริล น, นู่นดุนยาไม่ต้องไปห่วงอดีอ๋ยวอโลก็จะแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ดุนยาก็จะคลานมาหาคุณ เื่อเสียงเกียรติยศตำหน่งมาเองนะครับนี่สรุปจากตับซีดนะครับผมอ่านจากภาษาอุรดูเมื่อคืนนี้นะครับคมดุลิบแล้วเอาต่อมาอายาที่สี่สิบแปดวรีดูอัลลอฮ์บิคัลซัฟฟาเล็กดะจีตุมุนักมาขลักนักุมอวัลละมร بلزمتمأل أن نجعل لكم موعدا وأريدو آية ที um ่48พอวันก um si, si, si, si, si. ิยามาพี่น้องอัลลอฮฺจะนามาอูริดูอูริดูอูริดูถูกนามาอยู่ต่อหน้าจะนามนุษย์ทั้งหมด ตั้งแต่ยุคนบีอาดัมยุคนบีมุฮัมมัดยุคสุดท้ายจะเป็นกี่ร้อยล้านคนกี่พันล้านกี่แสนล้านก็ตามนํามาหมดเลยแล้วก็นํามาแล้วเป็นไงอาดารอบบีกับซ็อายืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระผู้อภิบาลของท่านเป็นแถวมิคคำิย้ำอธิบายว่าแถวเดียวหรือหลายแถวเท่า น, นั้นเอง คาอธิบายนะแถวเดียวหรือหลายแถวอาจจะหลายแถวก็ได้หรือแถวเดียวก็ได้ถ้าแถวเดียวคุณจะยาวละดูนะโอ้โหละจะเป็นกี่แถวก็ตามแต่คุณอ่านบอกว่าซอฟตาแถวเดียวแถวเดียวนะแต่ในตำสิทธบอกว่าสูฟูบหลายแถวอะไรจะเป็นกี่แถวก็ไม่มีปัญหาทุกคนจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของอรหานต์ฉะนั้นเราอบรมลูกเราให้กลัวโลกอาคือร้อยเยอะ วันที่ไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตอลัลลอฮนะ์น่ะต่อหน้าอลัลลอฮ์นะี่มันงานใหญ่มากเลยวันนั้นนะ่ะให้กลัวภาพสภาพนี้เยอะๆฉะนั้นคนที่ยืนวันนั้นนะ่ะหลายใบหน้าจะยืนยิ้มแล้วก็หลายใบหน้าจะกลุ้มเครียดหน้าดำยืนอยู่สังเกตได้คนที่ยืนยิ้มนะพวกไหนนี่ไงคนที่ทำงานาศาสนาของอลัลลอ์อยู่บนดุญยานี้ไม่ทรยศต่อคาสั่งของอลัลลอ์ เชื่อฟังยิ่งในยุคโมอะหมายก็อางสูน่านาบีมากํากับชีวิตของเราคนเหล่านี้จะยืนแบบใบหน้าที่ยิ้มแย้มปละทับอยู่เลยนะไอคนที่หน้าคิดเครียดกับคนที่เขีย น, ข, นข้ามุสลิมเห็นไหมถ้ามุสลิมทํำลายมุสลิมจะไม่ทําลายคุรานดานบีมุฮัมมัมดถ้าไม่กลับตัวก่อนตายระวังระวังเห็นไหมเลาจะเล่นงานที่หลังนะครับ วาอริดูอลาลบบิกาซอฟะแล้วพวกเขาจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระผู้อภิบาลของเขายืนเป็นแถวแถวนะครับต่อมาครับละก็จะจิตูมูนาแท้จริงโดยแน่นอนยิ่งละก็จะจิตูมูนาสูเจ้ามาอย่างเราสูเจ้าเนี่ยตายแล้วใช่ไหม ฟื้นขึ้นมามายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์กันหมดเนี่ยการะมคอลักหน้ากลุ่มดังที่เราได้สร้างสูเจ้าครั้งแรกอัลลอฮฺอักบารเนี่ยอัลลอฮ์สอนให้เรานึกสภาพของเรามนุษย์ตอนเกิดมาก็เหมือนกันเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกิดตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่มายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์ให้ฟื้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนะ่ะแต่บางคนมันนึกไม่ถึงว่าอัลลอฮ์จะมีความสามารถ จะมีความสามารถจะให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงอะ่ะใช่ไหมหลายคนดีคิดแบบนี้อายาเนรักันจะสอนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยนักกีด้าเปลี่ยนความความเชื่อหมายได้แล้วอลัลลอฮ์มีความสามารถนะสร้างครั้งแรกนะมาจากน้ามาสุจิสร้างครั้งแรกจริงๆสร้างนบีอาดามมาจากดินสร้างโตฮาวะมาจากซิโครงสร้างนบีอิสลามาจากผ่านแม่ไม่ผ่านพ่อแล้วก็สร้างมนุษย์มาจากน้ำมอุจิสีการสร้าง ฉันยังทำได้ถ้าตายแล้วจะฟื้นใหม่อีกครั้งหนึ่งทำไม่ได้เลยคิดถึงสภาพตอนแรกๆ ก, ก่อนแล้วกันฉันมีความสามารถต้องการจะให้เราเนี่ยยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์สุฮาห์าานะฮูัลลอฮานบีอิสาผ่านแม่เราก็เหมาวันน บ, บีอิาสาศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่พูดผิดคิดผิดอัลลอ์ยิ่งใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นนักด่ามานะบัลซามตุม สูเจ้านึกหรือว่าทึกทักนึกบรร ז ามตุมพวกท่านเนี่ยนึกนึกหรือมั่นใจอัลลันนะจะอัลลกุมเมาไิเดเราไม่ได้กำหนดเวลาสำหรับสูเจ้าไว้แล้วพวกนี้เข้าใจว่าอัลลอฮเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะให้อะไรนะ ตอบแทนความดีกับความชั่วหลังจากฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขานึกไม่ถึงอันนี้สอนเปลี่ยนอกีิได้ใหม่เปลี่ยนความเชื่อใหม่นะความดีความชั่วที่มนุษย์ทำบนนี้อลัลลอฮฺจะให้รางวัลหลังจากตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาอายะสุดท้ายอายะที่ส9นะครับ ووضع الكتاب فتر المجرمين م ْ ف ي ي ن مما فيه ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أ ح ف ا ه ا ววจดูมา عمل ู حاضر ะ ولا يظلم ربك أهدا ะอายะสุดท้ายอรรนี่ดีมากกับเล่าภาพอาคริลทั้งหมดเลยภาพภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งอายะที่4 8คือมายืนเป็นเป็นซอกยืนเป็นแถวก่อนนะภาพที่สองววูดีอัลกีแท กิตาไปว่าคำพีที่นี้มาถึงสมุดบันทึกและบันทึกความดีความชั่วนะก็จะถูกวางไว้ต่อหน้าพวกเข า, เ อ, าอัลลอฮฺบันึกภาพนะสมุดบันทึกความดีความชั่วเอามาวางไว้ต่อหน้าเขานี่เป็นภาพที่อลัลลอฮฺเล่าจริงๆเรื่องของเรา ตัวลงุรานี่พูดเรื่องของเราทั้งหมดพูดเรื่องมนุษย์อย่างเดียวนะสมุดบันทึกตอนนี้ถูกถูกบันทึกในในสี่แหล่งอะต้องนึกนะวันนี้ความดีความชั่วของเราถูกบันทึกในสี่แหล่งหนึ่งแผ่นดินยามาอีวินตวฮัดดีสูอับรฮาวันซึ่ง Allah จะให้แผ่นดินเล่าเรื่องของเรา อันที่สองมือกับเท้าเป็นพยานอันที่สามมาลาอิกะอันที่สี่สมุดบันทึกนิ่งอะที่เล่าที่จะจะต้องมาวางไว้ข้างหน้าเนี่ยสี่รายการเนี่ยอัลลอฮฺอักบัดต่อมาครับฟาตาร์ลมุจรีมีมุจริมแปลว่าผู้ทําผิดคนชั่วๆอัลลอฮฺไม่จะพูดถึงคนดีนะคนดีอัลลอฮฺชมอย่างเดียว ฉะนั้นคนที่ผิดคนที่ไม่เอาอิสลามคนที่ไม่เอาซุนานะนบีคนที่ไม่เอามุฮัมมัดคนที่ไม่เอากุรานคนที่ไม่เชื่อโลกอาคิเราอคนที่ไม่เชื่อว่ามีนรกมีสวรรค์และคนที่ไม่เชื่อว่าตาล้ฟื้นเนี่ยและคนที่ไม่เชื่อคัมภีรต่างๆทั้งหมดที่มาจากอัลลอฮ์นี่นะคนเหล่านี้เป็นไงครับเรียกว่าคนมุจริมคนมุจริมนั่นจะได้เห็นบันทึกของเขาเพอเห็นปั๊บเป็นไงมุสฟิตี มุชเวกินแปว่าวันกลัวกลัวตัวสันเลยนะพอเห็นปั๊บเนี่ย อ, อ๋อกลัวมากเลยมิมมาฟีสิ่งที่อยู่ในบันทึกเล่มนี้ไม่อยากจะเปิดนะ่ะรู้แล้วเนี่ยพอเห็นปั๊บอลอนึกกลัวมากเลยนี่สามสภาพนะสภาพที่หนึ่งบันทึกถูกวาง สภาพที่สองเมื่อคนชั่วชั่วเห็นสมุดบันทึกสภาพที่สามเป็นไงกลัวกลัวแค่เห็นนะยังไม่ได้เปิดนะแค่เห็นสมุดบันทึกนะ่ะกลัวแล้วแต่คนที่เป็นมุมินนะ่ะไม่ต้องห่วงนะยืนยิ้ ม, มทำดูเลยเลยอัลลอฮฺอัลและความรู้สึกของคนที่เป็นมุมินในะวันนั้นเหมือนยืนอยู่ บนโลกบุญญาเนี่ยถ้าก็ยืนนะ่ามาสองระกาศความรู้สึกไม่นานแต่คนกาฟเฟ่เนี่ยยืนนานบางคนมีความรู้สึกนานถึงห้ามื่นปีบางคนพันปีแต่มุมินผู้ศรัทธาต่ออร่อยเนี่ยยืนแป๊บเดียวความรู้สึกแป๊บเดียวทำเดียวเลยนี่พี่น้องนึกภาพเนี่ยไวยากรุ่นอันที่สี่หนึ่งสองสามอันที่สีพูดว่า เห็นบันทึกบันทึกเอามาวางไว้อันที่สองเห็นอันที่สามกลัวอันที่ส uh, ี่เพ uh, yeah, ิ่งออกมาจากปากพูดว่าไงยาไวรัตนาความวิบัติยาไวรัตนาความวิบัติแเร้าเอ๋ยนี่ไงอัลลอฮ์เล่าเองทุกคนพูดหมดคนคนชั่วนะคนไม่เอาอิสลามวันนี้คนที่ไม่นมาตวันนี้คนที่นมาสยปีนสองครั้งอ่ะ ราวังให้ดีต้องพูดคำนี้แหละยาวัยรตานาะคนที่ไม่เอาศาสนานี่วันนี้มันอร่อยใช่ไหมนกไปแข่งนกเขานี่ไม่เคยขาดเลยนะแต่วันศุกร์ขาดได้อลัลละเรื่องดุญยานี่ไม่ขาดแต่เรื่องอาครอลอนี่ไปไรอลัลลอฮ์ใจดีทีนี้ วายกุ้นพูดว่าไงนะยาไวรัตนาความวิบัติแก่เราเอ่ยพูดว่าไงมาลิฮาร์กิตะกิตะแปลว่าสมุดบันทึกสมุดบันทึกอะไรกันนี่ทําไมเป็นอย่างงี้ตําเนียสมุดบันทึกแบบเป็ น, เ ป, นเป็นอย่างงี้ได้ยังไงเนี่ยลายูดีร uh ุไม่ได้นะ ไม่ทิ้งไม่ปล่อยไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยสอรีเราจันบาปเล็กๆบันทึกหมดวะลากับีเราบาปใหญ่ก็บันทึกอิลลัอาฮ์โซฮาไม่มีอะไรยกเว้นเลยตําหนิสมุดบันทึกที่มาลาอิกะทํามอบให้กับท่านในโลกอาครากับตําหนิดาสมุดบันทึก เอ็งอะไรมาให้ฉันที่สมุดของฉันนะเนี่ยดูสิไม่มีอะไรขาดตรงบูพองเลยฉันทําบาไว้เล็กนิดนึงก็บันทึกดูดูๆๆๆดูมีมีว่ามีข้อขัดแย้งกันอย่างงี้ที่ว่าบันทึกเนี่ยนะมีเฉพาะตัวหนังสือแล้วมีภาพด้วยอ่ามีเฉพาะตัวหนังสือแล้วมีภาพด้วยเอ้ามีภาพด้วยดีไหม แต่ไม่อยู่กลุมหนึ่งเขาเรียกว่าอาลูกัสคนที่รู้อะไรเยอะๆนี่ยนะรูพจน์ยานอันนี้พูดในเรื่องเรื่องบินอ่าเ น, นะคนชาบิดอ่างกลุ่มเรานี่แหละเขาบอกว่ามีเฉพาะตัวหนังสือแต่ว่าที่ถูกต้องนี่นะมีภาพด้วยภาพที่ทนะํานี่เรื่องเล็กๆแต่ภาพมีแล้วก็รูปตอนตอนนวลตอนหนุ่มๆเลยตอนที่เราทํามันแหละ